มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยๆจนทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาแต่ถึงแม้มนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเรื่องปกครอง ถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรืนเอนนี่การผูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามได้มาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสำคัญไม่ไดจะทำเอาแบบสูงสี่สูงห้าเหมือนอย่างสร้างลุ่ยติวตับบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่ง การสร้างให้ถูกต้องตามแบบแบบแปนแผนถังแล้วมันก็น่าดูมีความเป็นมนุษย์ที่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกวา่าสัตว์จึงต้องอาศัยศายสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ตรอพืชปฏิบัติ ความเป็นอยู่ของคนหมุงมากเพราะมนุษย์เราอยู่ลําพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่นี้พวกนี้เพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตําบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเยดีย่ยวโดยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เราขี้แคร์เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายมัานเมืองไม่มีสิง่งธรรมเป็นเครื่องปกครอง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 ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเคียมทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันไดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่น อะไรเป็นความกตะทบกระเทือนแม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วๆไปต้องมีคนหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศา ส, สนาจึงเป็นความจำเป็นที่มนุษย์ต้องนับถือกัน คนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ยวนแย่ตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทดิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นพิยิตของใจเป็นหลักของใจมีความมนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ การอัลึกถึงพระพุทธเจ้ารืลึกถึงศาสนากับการอัลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อลึกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเนตให้รู้สิบตัวว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นศ า, าสนามีหลายชั้น ตามพื้นเพของจิตใจผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่งและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะผู้ปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไหอย่างน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุดจากนั้นผมมีการเจริญเมตตาพรณาการทำบุญให้ทาน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 เมื่อเป็น่นั้นต่างคนก่อต่างไม่ร่วงล้ามเส็จแดนซึ่งกันละกันก็นกมความเป็นสุขการกระเทืนจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทืนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไปสมสมบัติอันใดที่เป็นของใครในสูญหายไปเพราะการโจกการลักการขโมยหรือการปล้นการขี้อะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากแต่พะ อ, อย่างยิ่งการต้นการที่มีเป็นส่วนใหญ่มากทีเดียว ก, การขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สําคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านให้รักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติ ด, ด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วย มีหมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีลห้านี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่าง ม, มีศีลห้านี้ด้วยกันนะครัร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่สำคัญ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 เนี่ยพอเป็นบุ ญ, ญาราพของเราที่มาได้พบศาสนาเลยนั่นแหะมันมีจํานวนไม่น้อยมีมากมายกลายกองไม่ทราบว่าพูดไปยังไงทําไปยังไงสงไปยังไงสาระอันสําคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งเอาสายด้านวัตถุพอให้เพลินไปวันหนึงวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะซึมซาบ ถึงบำบไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักกันน้ำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนมามธรรมคือาศาสนาคือาศาอสน า, าหรือทาง จ, จิตใจยึนเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษา ร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็ยนได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือพลังควา ม, ม ด, คคงงามามดีที่เราจะพึ่งอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดถึงชื่อว่าจําเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างแต่พราะอย่างยิ่ง ใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกคลอนแคลงเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณ ง, งามความดีขาดศีลทำเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทำให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อน ร้อนทั้งๆ ท, ที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งๆ ท, ที่มีสมบัติมากร้อนทั้งๆ ท, ท, ท, ที่อะไรแล้วก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนท้องใจจะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี่ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบ ความจาเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนม า, งงามธรรมคือพลังความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะฉะนั้นจริงต้องสั่งสอนบรรณาสัตให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรง อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แจ้ความเกิดแจ้งเจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ซ่าคกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุข บ, บ้างทุกข์ บ, บ้างนังที่เราท่าท่ากันอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสื่อพบสื่ท่าไปด้วยไปได้ด้วยดี มันมีความทุกข์ร้อนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสรั่งสอนให้บำเพ็ญสาระสำคัญคือพลัง า, ามดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุแจะเกิดในภพใดชาติใดก็เป็น ส, สุขติสุขติสุขโตไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสรั่งสอนไว้ ในโลกในยุคนั้นนทรงจังสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาตปาติโมทางสอน่ายาอเยอะว่าสัพปาภัสาอการนั่งการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งคุณจะสู้รุณจะสู้กระสั่ากระอาคุณจะสู้กระสั่ม ป, ประดา การยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิจตประโยระประนังการทำจิตให้ป่งใสหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของศาสนาเอตังมุธานาสาส น, นังนี้เหล่านี้เป็นคาสอนของพริุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายมีหลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกัน เพระกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความนำหมากมีกิเลสกัณหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องว่ยลัดภายในจิตใจให้เกิดความเดดล้อมมุ่บายเช่นเดียวกันหมการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคน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 จิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะคําดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้อจะให้เสียเวล่ำเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติให้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่คิดอ่านไตรตรองอะไรเลยแต่สาระสาคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควร สิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำเสียตั้งแต่แ บ, บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องมั่นยามง่ายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความรองแสงไปไเรื่อยส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมา เพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงถึงจริงเจ้าความจริงมาพูดอย่างอาฐานได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุดยผลประจักษ์ระทยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนสารโลกคําสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระ องสอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่เหลความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สาหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพราะว่าคำสอนจึงเป็นที่แน่ใจสาหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดบรนนานใจ ตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจไปเสียสิ่งที่เป็นพิเป็นภายนั้นเข้าจะเป็นของดีววเดี๋ยวพ่อเอามาปะ๊เาผาฐานตนเองนั้นเข้ไม่มีใครช่วยได้เรงเดียวกับกรรมของสัต์นี่เราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั้งเดิม ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เศษสันขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมานั่งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตั้งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมมใช่จะมาเลื่อมมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคําัสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคำว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่าว่ามันไม่มีชัติโลก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 มันก็เป็นสถานที่อยู่ของสตัตว์ผู้อยากช้าลามุสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีนี่เราก็เห็นอยู่แล้วเช่อนอย่างเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครทีน้โลกนี้ก็ยังมีเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจำไปแล้วก็ดีๆกันลิ้นอะไรนั้นไม่ได้ถูกกักขงังไม่ได้ถูกทาโทษทากรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนกโทษ เราก็เห็นกันอยู่เพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็าตามสายตาเราสั้นเพียงจะมองดูความดูคว า, ด, วาดูหนามมันก็นยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หัอต่อเดินเดินไปมันกันยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิ ขณะที่โดนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบอะเนี้ยน้ํามตักด้วยไม่ปมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบขูมันก็ปกักไปโดนหัวตอกท็ท้าแตกเป็นได้ทัง้งๆทิ่ว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสาตาเรามนันสั้นๆอย่างเนี้เพียงแต่มองดูหัวแม่เท่าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวานโดน้ํา รวมหัวต่อจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดมากมากะกองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมีญาณที่จะยังทราบตามความกินอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเร า, เราทั้งท่านๆนี้จะมองเห็นกันการเชื่อ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกทุ่เป็นจอมปลักแต่เชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางทนนั้นโดนนี้ไปเรื่อย ตามภาษีภาษาของตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่ปเปียกความเหยียบน้ำเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอด น, นี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราล่ะเพราะมันมืด อ, อยู่งั้นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้นั้นไม่ถอยนีเี่ยโดนดะโชนดะไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไง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 หากกรรมดีก็พยุงผงเสริมให้ไปในทางที่ดีก็นเสมอพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ลาเกิดไม่มีความสามารถอ่านรูดด้วยยานนีนน่มันแบบเกิดดะดะไปเลยทุขจะมีทุกจะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่ อ, อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่า ม, มาจากครบอะไรที่ดูเราเป็นนักครบ นักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรอะไรที่จะเป็นเรื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจึงควรสร้างเสียตั้งแต่บันฑ์การไปแบบสมุมเดาๆเปิดแบบสมุนเดาๆทั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับ หรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนุษย์เป็นผู้ชาลาดนะคือไม่สมเหตุสมผลกันแต่พ่ออย่างยิ่งการผิดความดีความเจริญชนะขึ้นภายในใจด้วยกิจกภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คาว่าบาป บ, บุญนรกสวรรค์มิวิพาน อาจมองเห็นได้ด้วยจิตภาวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอันไในก็ทราบ น, นั่นเนี่ยทราบบุญทราบบาปนารกสวรรค์ก็ทราบทราบทั้งอยู่ายในจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนทั่วมันก็ไปเข้าเรือนจรรมนั่นเอง จิตที่ชั่วมันก็ไปลงนรกเ น, น่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็เหมือนๆกันมันท่าอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบงังจิตใจค่อยหมดไปจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิน่งต่างๆได้โดยลําดับลำดับจนเต้นภูมิของจิดจะไม่เกิดที่ไหนก็ทราบอยู่นในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิต จะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นพุมงของจิตว่าหมดเชือแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เนี่ท่นถึงสอนให้อบรมจิตจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลามีความสามารถมากกว่าสินใดในโลก แต่เราไม่ได้อบรมตั้งสอนจึงจิตจึงเป็นเรื่องอาภัพเนจิตอาภัพอยู่ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนอาภัพทางนั้นเพราะสิ่งอาภัพมันปกติกำบังมันเนียมนาคเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภัพไปตามๆกันต้องลมสติปัญญาในจิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจ สงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผ <Ste ek ambling> ิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกกถาอันนี้มันมีอะไรที่จะควรเพิดพล้นรุ่นลงอะไรไปน้กหนาเดินปนั่นก็มีแต่าช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเติมไปด้วยนิจังทุกข์ของนาตาเข้าในบ้านก็เยยินบนออกนอกบ้านก็ยิ้บนเข้าเมืองก็ยิ้บน เจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกหนตําบลหมู่บ้านเราจะสงสัยที่ไหนมีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายรับความทุกข์ความลาบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามมั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยร้ายทุกอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสําคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมินล้ ทั้งก็เย็นคิดว่าสถานที่นั่นเป็นไงสถานที่นี่เป็นไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความสูงอยู่กับเจ้าของหลักหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ะมาาทจะไปหาจะคุกงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปจะคุกงาหาอะไรนี่แทละธนวการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทั้งโลกดังที่เรา สร้างกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการฝึนขวายในหน้าที่การงานทํามาหาเลี้งขี้อันนี้สร้างสมรรถนะทองอันเนียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภานเราคือสร้างจิตใจขงเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขตัดแต่งกันไปโดยสม่ําเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้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 อันเป็ว่าเป็นประตามบุญตามกรรมธรรมนกวาสนามองเห็นกันไม่ได้นี่อยู่อย่างลึกลับภายในใจิตใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามมั่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ทำมาพุทธเจ้ า, าสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก้สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้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 พอปราศจากสิ่งก่อกวาในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจนมะาบัาางมากจนหนา้าตากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยหรือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนอยู่อวกาศหรือเหมือนอยู่อากาศออากลางขาวไปอย่างนั้นมั่นแหละกิจสบายกิดปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นมีควอสมสงบเต็มที่เป็นไม่ทราบมาตนอยู่ที่สูงที่ต่ําและอยู่ในที่เช่นไหร นั่งอยู่หรือนอนดูไม่สนใจทางนั้นตากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งมันมีรูปไม่มีลักษณะอะไรตากดเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวายตากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจ ร, ริบทิศกับสิ่งขั้งหลาที่เคยผ่านมาในโลกนี่นี่คือความสงบมากความสว่างความสุขนมากอย่างนี้ทิดดวงนี้แหละ ดวงมืดมดดำด ำ, ดำที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี้เนีลยเพราะความมืดดำมันไม่ใช่จิตเพานสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่ที่มันก็ดำก็แดงมาใส่ก็แดงเอาขาวมาใส่ก็ขาวเนี่ไฟมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอ ย, อย่างนั้น แต่เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มองหมองเขาไปแทรกไปปกปิดกัมปิดกํมัมเองใจมันก็เหมือนว่ามันเท่ามันหมองมันดําไปหมดความกิงก็คือสิ่งนั้นทาให้ดําถั่นละสิ่งนี้ออกแล้วจิดก็สว่างสบายออกมาตัวมาขั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุทานทะลุไปหมดอนะไรจะแหลมคมยี่กว่าใจถึงขั้นเนื้อหน้าเนี้อหน้าอย่างนั้น สาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้ น, นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปะเกิดครบหน้ากับคุยใจลงนี้นพยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมกวเอารักพรกันที่นี้พอดหมดตักนะ่ะตัด